เราทําความสงบได้หลายแบบอย่างน้อยๆก็สามแบบสามวิธีด้วยกันอย่างแรกเลยว่าสงบทางกายภาษาบาลีว่ากายยิเย่หมายความว่าเราอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงมารบ ก, กวนไม่มีสิ่งกระตุ้นเราทางตาหูจมูกลิ้นกาย อย่างการมาอยู่ป่าหรือว่าการเก็บตัวอยู่ในสติอันนี้เรียกว่ากายวิเวกส่วนหนึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของศีลอย่างเช่นศีลแตเนี่ยข้อที่เจ็ดที่ว่างดเว้นจากการซ้อนลามการขับประโคมการเล่นดนตรี หรือว่าการดูการละเล่นอันนี้มันก็ช่วยทำให้ตัวความสงบทางกายขึ้นการที่เรามาอยู่ในสถานที่หรือมีวิถีชีวิตที่ปลอดจากสิ่งเล้าเย้ายวนทางกามทางตาหูหงงมืนกายเนี่ยเลืยงใจอีกเลยเพราะว่ามันได้มาทำให้ตัวความรบกวน ทางพัรษะข้งหน้าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเช่นการที่คนเรากินน้อยใช้น้อยอยู่อย่างเล็กง่ายบ้านไม่มีโทรทัศน์วิทยุอยู่ในที่ที่ไกลาจากเสียงรบ ก, กวนนั่งไกลวิเลยนี่เป็นเรื่องที่เราทําได้งา่ายอันนี้ก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งเป็นความสงบเบื้องต้นความสงบประการต่อ ม, มาคือความสงบทางจิต อย่างเช่เราฝึกสมาธิจเจริญสติอันนี้อาจจะเกิดจิตเวียขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมเดยก็ได้เช่นเราอาจจะอยู่กลางถนนอยู่กลางเมืองแต่ว่าใจจะสงบสงบเพราะว่าเรากําลังทําสมาธิอยู่บนรถเมล์จิตนิ่งหรือยิ่งทํามาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อต่อกายวิเวกนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดความวิเวกทางจิตมากขึ้น อันนี้เป็นองความสงบทางจิตซึ่งอาจจะอาศัยหรือไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่ว่าผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาประ ก, กอบขั้นสุดท้ายซึ่งสูงสุดคืออุปที่วด้วยคือปราศจากกิเลสไม่มีกิเลสที่จะมากระตุ้นให้ขุนมัวเศร้าหมองโกรธหรือว่าเล่าร้อนก็เป็นความสุขอีกแบบหนึง่งเรียกว่าอุปสมสุขความสุบที่เกิดจากการ สงบจากกิเลสนั้นเราลองเลือกดูว่าเราอยากจะสงบแบบไหนผู้ใหม่ก็ต้องฝึกให้เกิดใยวิเศษก่อนจากสันชีวิตหาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยทำให้รู ป, ปรจิตเสียงภาษาที่จะมาประตุ้นเราใจิตใจได้ความสงบมีหลายอย่างในทางเดียวกันการอยู่คนเดียวก็ทาได้หลายอย่างทาได้หลายแบบ เราจะอยู่คนเดียวแบบไหนถ้าอยู่คนเดียวแบบอร ille, ิยวินัยก็อย่างหนึ่ถงถ้าอยู่คนเดียวแบบโลกโลกก็อย่างหนึ่งอยู่คนเดียวแบบโกโลกก็หมายความว่าเร า, า จ, จะตัดตัวของเราให้เกี่ยวข้องกับใครเลยอันนั้ก น, น, น, นก็อยู่คนเดียวได้อยู่ในห้องอันนั้นก็อยู่คนเดียวได้อันนี้แบบสามมาแบบพื้นแต่ถ้าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยอริยวินัยคืออยู่คนเดียวตามภาษาธรรม หรือว่าตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ดีกว่านั้นก็คือว่าการไม่เพลิดเพลินในอนายตนะหกหรืออายตนะภายนอกก็คือไม่เพลิดเพลินในรูปวัตถินเสียงสัมผัสธัรมอารมณ์สัมผัสผหรือโผลทัพพันก็คือเรื่องที่กายเข้าไปไปสัมผัสรับรู้นุ่มแข็งอ่ อ, อนเย็นอ่าอันนี้เป็นเรื่องของผลทัทพธรรมอารมณ์ก็คือเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกความนึคิดเมื่อเราไม่ไปเพลิดเพลินในอิจตนาภายนอกก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยบีนัยหมายความว่าทถึงแม้ที่เราอาจจะอยู่ท้ามกลางคนหมู่มากแต่ว่าใจเราไม่ส่งออกนอกไม่คุ้มซ่านากับภายนอกแล้วก็ไม่คล้องแวะอยู่กับภายในในภายในนี้ก็คือเรื่องของธรรมอารมณ์นี่แหละ ถ้าเราไม่ไปแสะสายกับภายนอกหรือไม่ไปเพลิดเพลินห้งองติดนะทัางภายนอกรูปตัวกลิกก่นเสียงสัมผัสหรือว่าภายในคือเรื่องความรู้สึกนิคิดความเศร้าความโกรธนี่ยให้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วละ่ะเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวิ น, นัยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็ไม่อนกัอยู่คนเดียวว่าใจเรานิ่งอยู่คนเดียวก็ไม่ไอยู่คนหมู่มากก็คือไม่กลัวไม่อ้างว้างถ้าลองทําให้ได้ เวลาอยู่ในป่าบางทีต้องเจอคนเยอะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยจิตฟุ้ฟงซ่านไม่ไปเพลิดเพลินไม่ไปค้องแวะกับเรื่องภายนอกจนติดจนจมนี่มันก็เรียกว่าอยู่คนเดียวได้หรือเวลาเราอยู่ในกุฎคนเดียวกลางค่ำกลางคืนฝนตกพายุมาก็ไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่กับคนหมู่มากมีความอบคุณมีความมั่นคงปลอดภัย บางทีท่านก็บอกว่าเนี่ยเพีงแต่ล้อมไม่ไปไปคล้องแวะค้องติดอยู่กับอดีตกับอนาคตนี่ก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวนะอยายวินญาณหนึ่งกันนะเพราะว่ า, าเราไปไปคล้องแวะกับอดีตหรืออนาคตก็ตามเนี่ยมันจมเข้าไปในความคิดปรุงแต่งแล้ะมันหายเข้าไปในโลกซึ่งแต่ไม่ได้ผู้คนยเนยอะแยะอย่างนึกไปถึงสถานที่ที่เราเคยชอบนะหรือนึกไปถึง คนที่เรารู้จักอันนี้ก็เร็วไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันไปอยู่กับใครต่อใครมากมายไปอยู่กับคนในอีกโลกหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกในอดีตหรือว่าโลกอนาคตก็ตามนีม่ต้องเข้าใจในะการอยู่คนเดียวในอาลิยาบินไหนนี่มันไม่ใช่หมายความว่าต้องอยู่แบบดสุสีอยู่กับโดยสีนัน่นเป็นอยู่คนเดียวแบบพื้น้นแต่เราองอยู่คนเดียวแต่ในลักษณะที่ว่า สามารถรักษาจิตให้อยู่กับกายได้ไม่ใช่ปล่อยจิตให้จระจัดเล่ร่อนไปการอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหมายความว่าจะมีคนมากมายเราก็ไม่เดือดร้อนไม่อนาถรร้อนใจเพราะเราก็รู้สึว่าเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วใครเขจะมาจะมีเสียงรบกวนยังไงเราก็เฉยจะมีสิ่งมายั่วยุปลกเล่าเราก็เฉยก็มันก็อยู่คนเดียว อันนี้ก็คือจิตวิเวงกันเองเป็นความวิเวงเป็นความสงบทางจิตนละการปฏแบัติพูดนี่เราไม่ไม่ต้องไปผูกติดกับสิ่งแวดล้อมมากใหม่ๆก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยนะแต่ว่าพอพัฒนาไปอีกขั้นนึงเราก็ไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมแนละ้วคือสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเราควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาจิตประคองใจให้สงบให้เป็นสุกอยู่ได้ฉะนั้นถามว่าเราพยายามที่จะรักษาติของเราให้มีสติมีการสมดมอินทรีย์อินทรีย์สังวรสมวมอินทรีย์ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้อะไรทั้งสิ้นที่จะมาทําให้จิตกระเพื่อมไม่ใช่ อินเทียสงวนสมุติอินทรีย์ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือว่าได้กลิ่นจิตเราไม่ปูเม่สัต์จิตเราเป็นป ก, กติได้อันนี้เก็อินเทียสงวนซึ่งต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยเป็นหลักเลยตามเวลาของภาษาาสนาไม่ใช่ว่าต้องปิดหูปิด ต, ตาเนี่ยเพื่อนบามนะคนหนึ่งก็มาสอนว่า อย่าไปดูรูปทางตาอย่าไปฟังทางหูให้ควบคุมไอ้ตระนัเอาไว้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นแล้วก็จะพ้นทุกไปเองลูเจ่กาก็บอกว่าไงพูดคิดสอนแบบนี้ก็คือสอนให้เหมือนกับคนตาบอดหูหนวกนั่นเองยังไงไม่ว่าจะปิดหูปิดตาปิดจมูกยังไงมันมีจิตที่จะต้องปรุงแต่งไปได้เรื่อยๆหรือปรุงแต่งไปอย่างควบคุมไม่ได้ แทนทางที่เดียคุมจิตรักษาใจไว้ดีกว่าด้วยสติอันนี้หลาเรียกว่าอินเทียสองวอนหรือจะพูดขยายความห ม, มายก็คือว่าเป็นการใช้ตาใช้ตาดูหูฟังนะให้เกิดผลในทางที่เป็นกุศลแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของการใช้ตาใช้หูใช้จมูกอย่างเดียวเป็นเรื่องของการใช้ใจรักษาใจให้มีสติด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเรามีสติ ต่อคองใจเอาไว้ดีมันก็ไม่หลงไม่เผลอและจะมีปัญญากำกับด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปคล่องแวกกับอะไรอย่างสุ่มฉีุ่่มผ้าคือเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะลูกลดจินเสียงสัมผัสนิรบากาคุณ5าที่มันให้ประโยชน์แก่เราให้ความุึกแก่เราก็ดีเราก็จะเห็นว่าเออ มันก็มีโทษนะมันมีรสอร่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีโทษด้วยมันไม่ใช่มีแค่อัสวะท่าอักมีอาถินวะด้วยอสัสวะท่าคือประโยชน์คือรสชาติรสอร่อยมันมีโทษกามาคุณห้าลูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเียเรียกกามาคุณห้ามันมีคุณอยู่คือมันให้ความสุขกินอาหารก็อร่อยจิตใจเพลิดเพลิน ไม่ได้เห็นภาพที่น่าพอใจแต่ว่ามันมีโทษแสงอยู่เหมือนกับไฟที่เราจุดจากฟางหญ้าฟางข้าวเนี่ยมันให้แสงสว่างแต่มันก็มีควันเยอะมันทำให้สำลักได้ง่ายไม่เหมือนแสงเทียนแสงเทียนนี่ให้แสงสว่างแต่ไม่มีควันมากเท่าไหร่อันนี้เรามีคุณมากกว่าโทษแต่ว่าการรมคุณห้ามันมีโทษมากกว่าคุณ ให้ความสุขแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดทุกข์ตามมาแต่ใม่ๆมันก็ดึงเราไปเพราะว่ารสอร่อยของมันเหมือนจะเยื่อเนี่ยรูปรสกินเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เหมือนกับเยื่อสมมติว่าเราเป็นปลาเราเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปแล้วเมื่อเราคุกเข้าไปหรือว่าลองงับทีแรกก็รู้สึกอร่อยแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเพราะว่าอเด็ดมันแทงเรา คือในเหยื่อนี่มันมีเด็ดแสงอยู่อันนั้นคือโทษที่แสงอยู่ในความเบล็ดอร่อยโทษนั้นคืออะไรอย่างง่ายๆคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของมันของอร่อยของดีแต่ว่ามันก็ไม่อยู่กับเราได้นานดอกไม้นี่คือก็โรยไปหรือไม่ก็ซากจ า, ากเราไปเพราะว่ามัน เป็นของธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลาลมก็เสื่อมไปหรือมีคนแย่งชิงไปอันนี้คือโทษหรือแม้ว่ามันจะไม่อยู่ไม่มีใครเอาไปแต่ว่าอยู่ๆไปเราก็เบื่ออาหารที่อร่อยกินไปกินไปรั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเดือ น, นก็เบื่อเสื้อผ้าเราซื้อมาที่แรกมันก็สวยดีหรอกแต่อยู่ไปนานๆก็เบื่ออยากได้เชื่อตัวใหม่ อย่าได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้ของใหม่ตลอดเวลานี่มันเป็นเป็นวิสัยของมนุษย์ที่ยังยังมีกิเลสส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้วัตถุนี่แหละที่มันทําให้เราเบื่อง่ายก็เรียกว่ามันมีทุกแสงอยู่ในสุขพอใช้ไปนานๆพอเสพไปนานๆไอ้ทุกแมันก็ปรากฏให้เราเห็นให้เราก็เบื่ออันนี้ก็เปรี่ยนเป็นเงยเด็ดนะที่มันแสงเอาไว้ในเหยือ่อ เรากินเข้าไปอร่อยพอใจเป็นสุขแต่ว่าไม่นานมันก็จะทุกตามมาจะเป็นความเศร้าใจเสยียใจที่ของหายหรือจะเป็นความเบื่อนายหรือเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือ น, อ ย, นอย่างที่เราคิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่แสงอยู่ในสุขแสงอยู่ในการมาคุณห้าหรือว่าเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัตถุกรมก็ได้ กามาคุณท่ามือชินร็อคเร็ววัตถุกรรมก็คือสิ่งที่มีโทษงั้นถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่ไปเผลองับแม้ว่ามันจะอร่อยเห็นที่แรกก็อร่อยแต่ว่าเราก็จะมีสติระ ล, ลึกได้ว่าเออมันมีโทษนะเทคโนโลยีสมัยใหม่เออมันมีมมันมีแรงดึงดูดให้เราเข้าหามันอยากได้อยากใช้อยา ก, ยากมีแต่พอมีสติเราก็ระ ล, ลึกได้ว่าเออ ไอ้พนี้มันเป็นพาล้านไอพวกนี้มันทำให้ทุกข์นะมันทำให้ชคิดเรายุ่งยากนะอ่เราก็ไม่เข้าไปใกล้มันเมื่อเราไม่เข้าไปใกล้มันไม่เข้าไปเสมมันไม่เข้าไปฮุบมันเอเดดมันก็ไม่สามารถจะทําอะไรเราได้แต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดกให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากไอ้ตัววัตถุการมนะความทุกข์จริงๆมันเกิดจากไอ้สิ่งที่ในใจเรามากกว่า ให้ปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจริงๆมันอยู่ที่ใจเราที่ไปปรุงที่ไปเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันน่าพอใจตัางหากพอเราเห็นว่าสิ่งนี้น่าพอใจแล้วก็ไปไปยึดไปติดมันเกิดเป็นอุปาทานขึ้นมาเด้วยอำนาจของกิเลสกามด้วยอำนาจของความหลงคือรูปรดกลิ่นเสียงหรือวัตถุเหล่านี้เนี่ยมันก็มีของมันเองตามธรรมชาติก็เป็นของเขาเอง แต่พอเราไปให้ค่ามันว่าสิ่งนี้มันดีเป็นเพราะความอยากของเราเนั่ยแหละที่เราเราไปอยากจะมีอยากจะได้มันแล้วเราไปยึดไปติดมันมของของเขาก็อยู่ตามธรรมชาติแต่พอเรามีกิเลสกรรมขึ้นแล้วก็หมายจะครอบครองเกิดความสําคัญนั่นหมายไว้นู่านี่มันเป็นเราว่ามันเป็นของเราเราไปให้ค่ามันเองแล้วเมื่อเราไปให้ค่ามันเราเกิดความอยากได้ขึ้นมา มันก็ทุกที่ไหนก็ทุกที่ใจเราดังจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปแลกวิ่งเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้องปวดเนี่ยมันไม่มีเด็กซ่อนอยู่หรอกแต่ใจของเราต้องหากที่เราไปไปทําให้มันกลายเป็นเหยื่อแล้วก็กลายเป็นมีเด็กซ่อนขึ้นมาใจเราต้องหาคือพอเราไปอยากมันก็กลายเป็นเหยื่อขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากมันก็เป็นของธรรมดาอย่างเช่นคนที่ธรรมดาเนี่ยเห็นดินจินดา ชอบก็อยากได้แต่ว่าเด็กเล็กๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพชรมินจินดามันมีค่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์เพราะเพชรมินจินดาเลยแต่คนที่มีความยึดมัน่นหรือว่าให้ค่ากับเรื่องพวกนี้มากเนี่ยพอเห็นมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากจะได้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะว่าตัววัตถุนี่มันมีโทษหรืออะไรนะแต่เพราะใจของเราต่างหาก ใจของเราเม่อมันมีกิเลสมันก็แปลสิ่งให้พวกลูกก็กิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นเหยื่อที่มีเบ็ดหรือว่ามีของแหลมคมคอยทิ่มแทงเราถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าของชิ้นหนึ่งธรรมดาธรรมดาไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นแต่ความยึดติดของเราต่างหากที่เราอุปท า, านนี่เนี่ยที่มันไปทําให้สิ่งเหล่าที่มันเกิดเป็นโทษขึ้นมาเพราะว่า เมื่อยังไม่ได้เราก็ทุกข์อยากจะได้เมื่อได้มาแล้วแต่แล้วมันหายไปเราก็ทุกข์ให้ทุกข์เนี่ยมันทุกข์ทอดใจเราตังหาเพราะความยึดความติดของเราฉะนั้นต้องมาแก้กันที่ตรงนี้คือแก้ที่ภายในใจเราแก้ถึ่งที่เราเป็นกิเลสกลามกิเลส ก, กรรมนี่แหละที่ทําให้สิ่ ง, งตา่างๆมันกลายเป็นวัตถุกรรมขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่ให้รู้เท่าทันงั้นถ้าเรามีปัญญาและมีสติรู้เท่าทันสิ่ ง, งต่างๆก็มี ขึ้นเอาไว้เพให้เราได้ใช้โดยที่ไม่เกิดโทษเพราะเราไม่ไปยึดแตะติดมันละเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่สติและปัญญาของเราว่าจะมีแค่ไหนหรือว่าเราจะเผลอไปยึดแปะตดดิดมันขึ้นมาบางที ท, ทําด้วยความไม่รู้พราะไปนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคงที่คงตัวมันเป็นตัวเป็นตนตวความหลงนี้ก็ทําให้เราไปยึดแตติดมัน นสติรละปัญญาเนี่ยเป็นของคู่กันที่ที่สําคัญมากและถ้าเรามีนะมันไม่ใช่แค่การดำเนินชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถที่ทําให้เราได้เรียกว่าเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็ บ, เ น, เ, บเนื้อตายได้ด้วยพระเจ้าเคยตรัสกับมานุเนี่ยโมคาราชมั่งบอกว่าเนี่ยถ้าว่ามีสติมีสติถอนความสําคัญมั่นหมาย ในตัวตนเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าเมื่อนั้นความตายก็จะมองไม่เห็นเธอก็จะเอาชนะความตายได้มาตุลามองไม่เห็นความตายมองไม่เห็นเมื่อมีสติเมื่อถอนความสำคัญนั่นหมายในตัวตนเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากตัวตนเป็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสติแล้วก็ปัญญาเข้ามาประกอบ ว่างเปล่ากับตัวนไม่ได้แม้เพราะมันไม่มีนะมันมีมันสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองไม่มีตัวตนที่แท้แท้มันไม่คงที่ไม่คงตัวแล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเป็นเพียงแต่ว่าเราสมมุติกันขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้านที่ดินรถเราไปสมมุติมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังแต่ย่ามันเป็นบ้านเป็นที่ดินจริงเรื่องที่มันไม่ใช่ มันก็เป็นศัพท์แปลว่าธาตุด้วมันเป็นศัพท์แปลว่าดินน้ําลงไปมาประกอบกันพูดอย่างเนี้ยาจะเข้าใจยากแต่เราลองนึกดูเหมือนกับว่าเราดูภาพเน่ะสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชัดสมัยก่อนเนี่ยภาพที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นภาพหน้าคนจะเป็นภาพรถดนจะเป็นภาพบ้านจะเป็นภาพสัตว์ขาวดํำนะพอเราเอาแว่นขยายส่องไปดูเนี่ยส่องไปใกล้ๆใกลเนี่ย สิ่งที่เราเห็นคืออะไรคือจุดจุดเต็มไปหมดเลยพอมองไกลๆเนี่ยมันเห็นเป็นภาพสัตว์ภาพคนนะบ้านภูเขาแต่พอมองไปใกล้ๆเนี่ยเห็นแต่เป็นจุดจุดภาพสัตว์ก็ประกอบไปด้วยจุดภาพคนก็ประกอบไปด้วยจุดภาพภูเขาก็ประกอบไปด้วยจุดไอธรรมชาติความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นสัตจวัตถาแต่ว่าพอมันประกอบกัน ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของมันก็ประกอบมาจากธาตุเดียวกันแต่ว่าในสัดส่วนที่ต่างกันแต่มันก็ประกอบไปด้วยกันเหมือนกันหมดมาจากสิ่งเดียวกันแต่พอเรามองไกลๆเราก็นึกว่าเออมันเป็นบ้านมันเป็นคนมันเป็นสัตว์อภิปรัสนามหรือว่าปัญญาอย่างภาษาศาสนาคือตรงนี้แหละคือมันทําให้เราเห็นว่าไอ้ที่แท้ที่ว่าเป็นบ้านเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่ตัวจริงของมัน เหมือนกับที่เราดูภาพดังนั้นคือทีมเก่าๆแล้วก็เราก็เห็นว่าเออที่แท้มันก็เป็นเพียงแค่สักแต่ว่าจุด ๆ, ๆ, ๆมาประกอบกันหรือเวลาเราดูหนังดูละครเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราก็นึกว่าจริง ๆ, ๆงๆแล้วเออคนนี้เป็นกษัตริคนนี้เป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นฆาตกรแต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าเออที่จริงไม่ใช่หรอกคนนี้ก็ขอเป็นมิจฉาบัญช า, า, ชาคนนี้ก็สมบัติเมธามีนี่พูดถึงดาราสมัยก่อน นะหรือว่าสัวนั้นคงยิ่งแรงต่างเป็นต้นนะแต่พอเราเผลอมาแล้เราก็ไป น, นึกว่าโอ้เข้าเป็นพาญาติที่ตกอับของบ้านสายทองอะไรต่างเนี่ยเวลาเราดูละครถ้าเราไม่มีสติเราก็ไป น, นึกว่าก็เป็นตามตัวละครจริงจริงแต่นั่นไม่ใช่มันสมมุติจริงๆริงเขาไม่ใช่จริงจริงเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละให้คําว่าว้างเป่าจากตัว ต, วตว น, นคืวมันมันไม่ยึดไปติดกับสมมุติ มันไม่หลงเพ้อว่าเป็นสมมุติพอเราไปเพ้อเป็นสมมุติเมื่อไหร่เราก็ไปนรูว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เราก็หมั่นพิจารณาดูนะไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเราลองมิจิจารณาดูไอ้เรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยทําความเข้าใจกับมันบ้างว่ามันคืออะไรไม่ใช่ว่ามันไม่มี สิ่งที่สัมผัสได้นะเสานี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวหมายเพราะมันมีเสาอยู่แต่ว่ามันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันว่างเปล่าจตัวต้นที่มันเป็นเสาโอมประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกว่าเสาเราสมมุติเรียกว่าบ้านเราสมมุติเรียกว่ารถนะแต่พอเราส่วนประกอบต่างๆแยกออกจากกันก็ไม่เหลือตัวบ้านตัวเสาตัวรถเลยเหมือนร่างกายของเราพอแยกธาตุต่างๆแยกเอวิวัตตต่างๆไปก็ไม่เหลือตัวเราออกไปเลย เราเรียกว่าคนที่เป็นนายก ร, รือสมมุติแต่นายกรนายขอที่จริงก็ไม่ต่างกันก็มีธาดดินน้ําลงไฟเหมือนกันอันนีเ้เราพยายามมองให้เห็นเบื้องหลังของลูกรถกลินเสียงสัมผัสนะว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นเริ่มจากเห็นว่ามันมีนมทุกแสงอยู่ในความสุกในความน่าพอใจมันมีความไม่น่าพอใจแสงอยู่ อันนี้เห็นได้ง่ายแต่ถ้าเรามองพิจารณาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นลึกไปอีกว่าไอ้ที่เราน่้อมันเป็นตัวเป็นตนจริงมันว่างป่าจากตัวตนไม่มีตัวตนมันมีแต่สมมุติที่เราไปสําคัญมันหมายว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาความจริงมันค่อยๆแสดงตัวมาเป็นชั้นๆจากเดิมที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าเออมันเป็นทุกข์นะมันมีทุกข์แฝงอยู่นะ แล้วก็เรามองลึกไปอีกก็เห็นว่าโอ้จริงๆมันไม่มันไม่มีตัวตนที่เราเข้าใจที่เขาเรียกว่าไม่คงที่อนิจจังไม่คงตัวคือทุกขังมีทุกแสงอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ ต, ชตนอนัตตาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองไปให้เห็นด้วยเริ่มจากการที่เราไม่ไปเพิ่มเติมในอัตนะภายนอกเหล่านี้ด้วยมีสติ ไม่เปิดเผนแล้วก็ความไม่เพิดเผยการที่มีสติพิ่เจรนาอยู่สม่ําเสมอจะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่แสนอยู่และความไม่ใช่ตัวตนที่มันซ้อนลึกไปอีกทีนึงถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เราก็ก็ยังหลงหลงวนอยู่กับอยู่กับพวกการมคุณห้าหรือว่าหลงวนอยู่กับอดีตการนาคตอยู่แล้วก็ทําให้เราห ล, ลงวนวนอยู่กับความเศร้า ความดีใจความฟูความแฟดเรียกว่าวตางสงสารามันไม่จบไม่สิ้นการพยายามทำควาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ า, าการคุณคท่าหรือว่ารว ม, ร ม, มทั้งในเรือ่องธรรมะลมที่รวมเรื่องอายตนะภายนอกให้ดีด้วยมันจะได้พบกับความสงบใจหรือว่าความสงบจิลือที่ว่าจิตวิเวกแลวไกแล้วก็อุปัติวิเวกได้